พระความในมหาปริพพา น, นสูตรต่ อ, อกล่าวถึงการปริญพา น, นี่นะการดับโดยรอบปริพพานในที่นี้นี่แปลว่าการสิ้นชีวิตชนิดที่เรียกว่าทิ้งกายนี้แล้วไม่ถือเอากายใหม่ น, นะหรือเทวทิ้งสรีระสุดท้ายแล้วไม่ถือเอาสรีระใหม่เลยเรียกว่าปริพพานปริิพพานอันนี้ เป็นทุกขสัจจะไม่ใช่นิโรสัจจะนี่นะปรินิพานตัวนี้ไม่ใช่นิพานที่เป็นนิโรสัจจะนะไม่ใช่หมายถึงนิพานที่เป็นรุนนิโรสัจจะต่างจากการตายทั่วๆไปตรงที่ว่าการตายทั่วๆไปนั้นทิ้งกายนี้แล้วถือกายอื่นอีกต่อไปแต่ถ้าสําหรับของพระพุทธเจ้าเนี่ยสริระนี้ถือว่าเป็นสรีระสุดท้าย ท่อทิ้งสรีระเหล่านี้แล้วไม่ถือเอาสรีระใหม่อีกต่อไปเลยเรียกว่าปรินิพานพระอรหันต์ทั้งหลายปรินิพานเป็นอย่างนั้นแต่ปรินิพานตัวนี้มีความหมายเป็นทุกขสัจจะไม่ใช่นิโรสัจจะเนี่ยนะในหน้าสาม้อแปดิบเอ็ดกล่าวถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจำพรรษาพอจำพรรษาที่เมืองไหนเออขอไปที่เวลุวะคามนีนะที่เวลุวะคาม เสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับไปตามทางที่เสด็จมาโดยที่พระองค์มีพุทธประสงค์จะเสด็จไปกลับไปยังกรุงสาวัตถีเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จไปถึงกรุงสาวัตถีโดยลำดับเสด็จเข้าสู่พระเชตวันหมายว่าหลังจากออกพรรษาพระองค์ก็ไปที่เชตวันนั่นเอง วันนั้นท่านพระธรรมเสนาบดีทำรรวัดแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือเข้าไปอุปถักเข้าไปสู่ที่บํารุงเข้าไปฟังพุทธโอวาทเข้าไปรับพุทธประสงค์เข้าไปสนองงานพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเรียกว่าไปประทมวัดไปดูแลความเรียบร้อยเป็นต้นเรียกว่าไปอุปถาก พ, พระผู้มีพระภาคนั่นเองหลังจากอุปถากเสร็จแล้วท่านก็เข้าสู่ที่พักกลางวันเมื่อเหล่าอันเตวาเสคิคือลูกศิษย์ของท่านเนี่ยนะทำวัดในพระเชตวันนั้นแล้วก็กลับไป เสร็จแล้วท่านเองก็ปัดที่พักกลางวันปูแผ่นหนังล้างเทา้านั่งขัดสมาธิโดยเข้าพระสมาบัติคือเข้าอารหัตผลสมาบัติกล่าวกันว่าพระหัน์จะไม่ยอมเข้าสมาบัติระดับล่างๆจะไม่เข้าโสดาปฏิพลสกท า, าคามีผลอนาคามีผลปกติแล้วจะเข้าอารหัตผลสมาบัติครั้นท่านออกจากอารหัตผลสมาบัตินั้นแล้วก็กําหนดเกิดความคิดขึ้นอย่างนี้ว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลายปรินิพานก่อนหรืออัครสาวกปรินิพานก่อนคือสงสัยขึ้นมาเอประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์เนี่ยเป็นอย่างไรประเพณีของพระอรหันต์อัครสาวกนั้นผู้ใดปรินิพานก่อนระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระสาวกท่านก็รู้ว่าอัครสาวกปรินิพานก่อนพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วท่านก็ตรวจดูอายุสังขารของท่าน ก็รู้ว่าอายุสังขารของตนเนี่ยจะเป็นไปได้เพียงเจ็ดวันเท่านั้นถัดจากนี้อีกเจดวันท่านจะปรินิพพานัานะแม้ถือว่ากระชั้นชิดมากเลยนะถ้าเป็นของเราให้ตกใจเลยมั้งเนี่ยพระโส ป, ปุตุชนทั้งหลายพระปุตุชนเนี่ยฟังแล้วสะอื้นเนี่ยนะเฮ้ยเจ็วันเองเหรอยังไม่ได้เก็บของเลยว่างั้นนะกาลังนึกนะเมื่อวานคุยกับโยมบอกว่าเนี่ยขอมานะเตรียมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอีกพักหนึ่งเดี๋ยวเข้ามาก็เตรียมเดินทางแล้วว่างั้นเตรียมเก็บของแล้ว เก็บของไปไหนอ้าวจะอยู่ชาตินี้ตลอดไปแล้วล่ะให้อายุเป็นหมื่นปื่นปีเอาไห่เราไม่เอาอีกนั่นแหละแล้วก็ไปแล้วก็ต้องไปเตรียมเก็บของเลเก็บอะไรก็เก็บอริยทรัพย์เนี่ยนะพวกทรัพย์เอาไปใช้ชาติหน้าไม่ได้หรอกเก็บอริยทรัพย์ให้มันดีๆแบบนั้นก็คิดว่าไม่ทําอย่างนี้ตลอดชาติหรอกว่างั้นมันก็ต้องเตรียมก็ได้เตรียมอะไรเตรียมอริยทรัพย์เนี่ยนะขนอริยทรัพย์ไปใช้ข้างหน้าต่อไปบ้าง นี่สำหรับภาษาริบทเนี่ยท่านรู้ว่าอีก7วันท่านก็จะปรินิพานเนี่ยนะแต่ท่านไม่ตกใจอะไรเลยนะก็คิดว่าเราเนี่ยจะปรินิพานที่ไหนเนาะเนี่ยนะท่านก็คิดอยู่ต่อไปอีกว่าท่านพระราหุนเนี่ยปรินิพานในดาวดึงพระราหุนเนี่ยอายุไม่ยืนนะจริงๆแล้วอายุถ้าจะไม่ผิดสัก40สเศษท่านก็ปรินิพานละนะก็ปรินิพานก่อนหน้านี้สักไม่กี่ปีนะ เพราะพระราหุนนี่คลอดหรือประสูติวันที่พระสิทธาถาออกบวชพระโพธิสัตว์ออกบวชท่านก็แสดงว่าปรินิพานมานานแล้วนะเหมือนกันส่วนท่านพระอัญญาโกณธัญะปรินิพานที่สะฉัตทันก็สะฉัตทันเนี่ยนะที่พวกเท้าสักกะเท้าอะไรเป็นต้นไปอุปถาส่วนเราเล่าจะปรินิพานณที่ไหนหนอะคิดต่อไปก็เกิดสติสติคาลึกถึงปรารบถึงมารดา ระลึกถึงแม่ว่ามารดาของเราเนี่ยนะเป็นแม่ของพระอรหันต์เจดรูปลูกเนี่ยจคนเนี่ยเป็นพระอรหันต์หมดเลยแต่แม่ก็ไม่เลื่อมใสในพระพุทธไม่เลื่อมใสในพระธรรมและไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์นะตั้งแต่อะไรพระสารีบุตรพระอุปเสนวังขัตบุตรพระจุนทะเนี่ยนะพระเรวตตและก็พระจาราอุปจาราศีสุปจาราเนี่ยมีพี่น้องอยู่เจคนเป็นพระอรหันต์หมดเลย นะเหลือแต่เนี่ยเหลือแต่มารดาเนี่ยไม่คิดว่าไม่บรรลุไม่ว่าไม่นับถือพระรัตนตรายด้วยสินเนี่ยนะจำเนะมาตลอดเลยดูถูกลูหมิ่นพระรัตนตรายมาตลอดเพราะถือว่าแม้เอาลูกเข้าไปบวชหมดเลยแล้วก็คี้ต่อไปว่าแม่มารดานี่ก็ไม่มีศรัทธาแล้วมีอุปนิสัยบรรลุมรคผลหรือไม่หนอระลึกไปเนี่ยนะระลึกแล้วก็เห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปันติมรค รู้ว่าเออแม่นี่ก็ทําบุญมาจะได้เป็นพระโสดาบันนะเนี่ยพิจารณาว่าจาักบรรลุด้วยพระธรรมเทศนาของใครคือใครเนี่ยนะแสดงธรรมเลยแม่จึงจะบรรลุก็รู้ได้ว่าบรรลุด้วยเทศนาของเราไม่ใช่ของผู้อื่นถ้าถ้าบรรลุด้วยของผู้อื่นท่านก็คงจะขวนขวายนิมนต์ให้ผู้อื่นไปแสดงเนี่ยนะก็คงจะขวนขวายเต็มที่เพื่อที่จะให้แม่ตรัสรู้แต่นี่รู้ว่าบรรลุด้วยธรรมเทศนาของเรา เนี่ยถ้าหากว่าเราพึ่งขวนขวายน้อยซ้ายคนทั้งหลายก็จะกล่าวตาหนิติเตียนเราได้ว่าภาษาฤบด์เนี่ยเป็นที่พึ่งได้แม้แก่ชนอื่นๆเพื่อส อ, อนคนอื่นช่วยคนอื่นได้แต่ช่วยแม่ไม่ได้ยกตัวอย่างที่ท่านเป็นที่พึ่งให้แก่คนอื่นว่าในวันที่ท่านเทศนาสมจิตสูตร ท่านแสดงนั้นเทวดาแสนโกดบรรลุเป็นพระอารหรันต์เทวดาที่บรรลุโซดาปฏิมากสกาธาคามีมกักอนาคามีมกักนับไม่ได้ไม่ต้องนับเนี่ยนะเพราะท่านคนเดียวเนี่ยแสดงธรรมอยู่สูตรเดียวเนี่ยนะพระบรนลุเทวดาบรนลุอรหันต์เป็นแสนโกดแล้วบรนลุอื่นออีกไม่ต้องพูดถึงและที่อื่นแสดงแล้วก็มีผู้บรรลุมากมายอันหนึ่งเราเพราะ ผู้ใดก็ตามที่ทำจิตให้เลื่อมใสในพระเถระตระกูลถึง 8,000 80, 0ื่นตระกูลก็บังเกิดในสวรรค์ลูกศิษย์ของท่านเนี่ยที่ไปเกิดในสวรรค์มี8 0ดห0่นตระกูลบัดนี้พระเถระไม่อาจแม้จะกําจัดความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิของมารดาได้ช่วยแม่แค่นี้ก็ช่วยไม่ได้ว่างั้นเถอะแม้ช่วยคนอื่ น, นช่วยให้เขาบารรลุเยอะแย ะ, ย ะ, ยะหาประมาณไม่ได้ทีแม่ของตัวละ เพราะฉะนั้นก็เลยตกลงใจว่าเราจะเปลื้องมารดาของเราให้พ้นจากมิจฉาทิฐิเพราะว่ามิจฉาทิฐิเนี่ยนะมันขวางการปฏิบัติอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8มันเป็นการขวางข้อปฏิบัติเพื่อแทงตลอดอริยสัจเพราะฉะนั้น ท, ท่านก็เลยคิดจะแก้ไม่ให้แม่นี่เป็นมิจฉาทิฐิเสร็จแล้วก็คิดว่าเราเนี่ยจะปรินิพานที่ห้องน้อยนะจะกลับไปปรินิพานในสถานที่ตัวเอง เกิดนันแหละแล้วก็คี้ต่อไปอีกว่าเราจะทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้าไปในวันนี้นี่แหละจึงเรียกพระจุนทะเทระพระจุนทะก็เป็นน้องคนเล็กของท่านนะนะก็เป็นน้องพระาน้องพระสารีบุตรเสร็จแล้วก็กล่าวกันว่ามาเถิดท่านจุนทะเราจากบอกภิกษุบริษัทหรอรูปของเรา คือท่านจงบอกบริษัท500รูปของเราว่าอวุโสท่านจงถือบาทและจีวรพระธรรมเสบนาบดีเนี่ยประสงค์จะไปนารกะคามนะภาษารีบทเนี่ยจะไปนู่นไปเมืองนารันทาโน่นน่ะนารกะคามนี่อยู่ในเขตเมืองนารันทาอ่สาวถีราชครก่อศรโยต์จากราชเครึก์ไปนารกะคามก็อีกหลายโยต์เหมือนกันเนี่ยนะก็ก็ถือว่าเดินทางไกลามากหลายร0อยกิโลเลยแหละ พระเถระก็ไปประกาศบอกพระภิกษุห้าร้อยรูปว่าพระสารีบุตรจะไปนาลากะคามภิกษุบริวารของท่านก็เก็บเสนาสนะถือบาดจีวรมายังสำนักของพระสารีบุตรเถระฝ่ายพระสารีบุตรเถระก็เก็บเสนาสนะปัดกวาดที่พักกลางวันเสร็จแล้วก็ยืนอยู่ที่ประตูมองดูที่พักกลางวันคิดว่าบัดนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้าย จักขูวิญญาณที่จะมีรูปที่อยู่อาศัยเป็นอารมณ์เนี่ยนะครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายต่อไปจะไม่มีการกลับมาอีกเนี่ยนะเรียกว่าดูครั้งสุดท้ายพระองค์นี้ผู้อันภิกษุห้าร้อยรูปพ ร, พระสารีบทเนี่ยนะภิกษุห้าร้อรูปเวทล้อมแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมเสร็จแล้วก็กราบทูลเป็นคำร้อยกรองกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระมหามุนีโลกกน้าเจ้านะนะมหามุนีก็คือพระองค์ผู้เป็นมหามุนีคําว่ามหามุนีหมายคือว่าผู้ที่ยิ่งกว่าเสขะอาคารามุนีอนาคารามุนีเสขะมุนีอาเสขมุนีมุนีมุนีปัจเจกมุนีแล้วเพราะพระองค์เป็นมุนีมุนีในบรรดามุนีทั้งหลายผู้ที่รู้ญาตธรรมผู้ที่บรรลุมรรคผลเนี่ยพระองค์เป็นสุดยอดของมุนี เป็นมุนีผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่มุนีทั้งหลายนับถือโลกกนธาเจ้าก็คือเป็นที่พึ่งของโลกเนี่ยนะเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกในภพสามนะบัดนี้นะบอกว่าก็กล่าวคำเรียกนะข้าแต่พระมหาหมุนีโลกกนธาเจา้าบัดนี้ข้าพราะองค์ตัดสินแล้วนะตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าอีกเจดวันต่อไปไม่มีการไปการมานี้เป็นการ คือแว่าต่อไปนะไม่มีการไปสู่วัตต่ไม่มีการไปสู่พบใหม่อีกแล้วการที่มาในครั้งนี้เป็นการมาถวายบังคมลาพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายปกติก็เวลาไปจาริกแล้วก็ได้กลับมาอีกแต่มาการมากราบมาลาครั้งนี้เป็นเวลาครั้งสุดท้ายแล้วชีวิตของข้าพระองค์เนี่ยอายุน้อยชีวิตนี่แปลว่าอายุนะอายุของข้าพระองค์เนี่ยมีน้อยล่วงไปแต่นี้อีกเจ็ดวันข้าพระองค์จะทอดทิ้งเรือนร่าง เหมือนวางภาระลงพระธรรมทั้งหลายเนี่ยท่านมองว่าการปรินิพานเหมือนกับการแล้วก็ปลงภาระนะวันที่ดัดทุกได้เนี่ยถามว่าวันนั้นเป็นวันที่มีความสุขไหมยอย่างคนที่ปวดหัวมาตลอดชีวิตเลยเนี่ยบอกอีกเจวันจะหายปวดเป็นปิดทิ้งเนี่ยนะถามว่าจะดีใจหรือจะเสียใจโอ้ดีใจเนี่ยนี่ก็เหมือนการเนี่ยนะท่านก็บอกว่าเออเจ็ดวันเนี่ยข้าพองจะปลงภาระภาระแปลว่าของหนักอีกเจ็วันจะทิ้งของหนักเลยแล้วเนี่ยนะ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดอนุญาตขอพระสุคตโปรดอนุญาตแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดนี้เป็นเวลาปรินิพานเนนะเป็นเวลาที่ทอดทิ้งเรือนร่างแล้วเนี่ยนะเป็นเวลาเรียกว่าเป็นรางวันเนี่ยนะเป็นรางวัเป็นเวลาเป็นวันที่ได้รับรางวันข้าพระองค์ปรงอายุสังขารแล้วพระเจ้าข้าเนี่ยนะเรียกว่าเรียกว่าทอดอายุหรือปรงใจแล้วว่าอีกเจ็ดวันเนี่ยปรินิพานทีนี้ พระพุทธเจ้าตอบเลยทันทีไหมบอกไม่ตอบทันทีเลยเพราะอะไรเพราะพวกมิจฉาทิฐิเนี่ยมีปกติชอบยกโทษถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าปรินิพานเถิดก็จะกลายเป็นว่าพระองค์พันนาสรรเสริญคุณของความตายเดี๋ยวพระพุทธเจ้าชื่นชมเรื่องความตายพระองค์สรรเสริญเรื่องการตายแต่ถ้าพระองค์ตรัสว่าอย่าปรินิพานเลยก็จะกลายเป็นการกล่าวสรรเสริญคุณของวัฏะสงสารไป กล่าวสันเสริญการอยู่ด้วยขันธ์าตุอายตนะไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ตรัสําแม้ทั้งสองว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตอยู่หรือไปไม่พูดประเด็นนี้เดีวไม่ไม่ตอบเรื่องนี้ไม่จําเป็นต้องตอบเพราะอะไรก็ภาษารีบดบอกอีก7วันท่านจะตายต่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ไม่มีประโยชน์นะเพราะ7วันก็ตายอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าเรียกว่าเป็นธรรมเนียมนะธรรมเนียมขออนุญาตไปงั้นแหละ แต่พระ อ, องค์ก็ตรัสเรื่องอื่นพระ อ, อ, องตรัสกับพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเธอจากปรินิพานที่ไหนนะถามหาสถานที่เลยนะไม่ถามว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตบอกที่ไหนอย่างนั้นเนะี่ยเมื่อพระสารีบุตรกราบทูลว่าในห้องน้อยก็คื อ, คอห้องเป็นที่เกิดในนาลกะคามเนี่ยนะแคว้นมคตมีอยู่นาลกะคามเนี่ยนะอยู่แคว้นมคตแต่อยู่ในเขตเมืองนารันทานะขึ้นตรงต่อจังหวัดนารันทาเนี่ยนะ ข้าพระองค์จักปรินิพานในห้องนั้นพระเจ้าค่าพระองค์ตรัสว่าสารีบทบัดนี้เธอสำคัญการละอันสมควรเธอเนี่ยน ะ, ะดูเรียกว่าพิจารณาดูเวลาเอาอะนะเวลาไหนที่เหมาะสมก็ว่ากันไปนะเหมือนนเวลานี้การเห็นภิกษุเช่นเธอเนี่ยนะสำหรับพี่น้องของเธอจักหาได้ยาก เมื่อไรเมื่อไรเนาจะได้เห็นพระเทระแบบพระษาริบุตรอีกต่อไปเนี่ยนะเนาะรอดูสาวกของพระสีอานนั่นแหละองค์ข้างขวานั่นแหละจึงจะพบอีกองคหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่เห็นภิกษุเช่นเธอสําหรับพี่น้องของเธอเนี่ยนะสำหรับพุทธบริษัททั้งหลายแล้วถือว่าเป็นการยากหายากมากที่จะได้พบเห็นพระภิกษุเช่นเธอผู้คล้ายกับพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นเธอจงแสดงธรรมแก่พี่น้องเหล่านั้นเถิดเนี่ยนะช่วยแสดงธรรมให้พี่น้องฟังหน่อยนะพระเถระรู้ว่าพระศาสดาเนี่ยมีพระประสงค์จะให้เราเนี่ยแสดงฤทธิ์ต่างๆเสียก่อนแล้วค่อยแสดงธรรมนะไม่ใช่แบบลักษณะแสดงธรรมทันทีเลยนะเป็นให้แสดงฤทธิ์ก่อนแล้วก็แสดงธรรมหรือแสดงธรรมสลับกับแสดงฤทธิ์เสร็จแล้วท่านพระสารีบุตรก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็โลดก็คือเหาะสูงเจ็ดชั่วลำตาล ลงมาถวายบังคมแล้วก็ยืนอยู่ท่ามกลางอากาศชั่วเจดลำตานนะครัเรียกว่ากราบเสร็จก็เหาะไปเจดลำตานเนี่ยนะเลำตานก็ลำตาน ล, ละ10เมตรเนี่ยนะก็ประมาณเหาะสูงประมาณสัก70เมตรแล้วก็ลงมากราบแล้วก็เหาะขึ้นไปใหม่แล้วก็แสดงฤทธิ์เนี่ยนะเสร็จแล้วแสดงฤทธิ์เสร็จก็สลับกับแสดงธรรมชาวพระลครทั้งสิ้นก็มาประชุมกัน เ, เกิดปาฏิหาริย์ใหญ่ในนะชาวเมืองก็มากัน พระถิระลงมาถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าเสร็จแล้วก็กราบทูลว่า